พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามละทุกกิโกปมาสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยนางนกไส้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมชื่ออาปณะแควนอังคุตราปะพระอุทายีเข้าไปเฝ้ากราบทูลสรรเสริญว่าทรงนำธรรมะที่เป็นทุกข์มากหลายออกไปทรงนำเข้าไปซึ่งธรรมะที่เป็นสุขมากลาย แล้วได้เล่าถึงสมัยก่อนที่ท่านเคยบริโภคอาหารทั้งในเวลาเย็นทั้งในเวลาเช้าทั้งในเวลาวิการกลางวันคือหลังเที่ยงไปแล้วต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเลิกฉันอาหารในเวลาวิการกลางวันคือหลังเที่ยงไปแล้วท่านก็เสียใจที่พระผู้มีพระภาคตรัสสั่งให้ละอาหารที่เข้ารือหดัดีผู้มีศรัทธา ถวายในเวลาวิการกลางวันแต่ด้วยความรักความเคารพเป็นต้นในพระผู้มีพระภาคก็ละการฉันอาหารในเวลาวิการกลางวันนั้นซะคงฉันแต่เวลาเย็นและเวลาเช้าต่อมาตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเลิกฉันอาหารในเวลาวิการกลางคืนท่านก็เสียใจแต่ด้วยความรักความเคารพในพระผู้มีพระภาค ท่านก็ละการฉันอาหารในเวลาวิการกลางคืนซะแล้วกราบทูลถึงการบินทบาทในเวลากลางคืนที่ทำให้เหยียบน้ำครามบ้างตกหลุมโศโครบบ้างถูกน้ำต่าบ้างจนถึงถูกผู้หญิงนึกว่าผีหลอกร้องโวยวายและเมื่อทราบว่าเป็นภิกษุก็ด่าเอาซึ่งข้อนี้อันแสดงว่าการที่ทรงห้ามนั้นเป็นการดี พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโมฆะุรุณบางคนเมื่อเรากล่าวว่าจงละสิ่งนี้ก็กล่าวว่าจะมาขัดกล่าวอะไรกันเพราะเหตุเรื่องเล็กน้อยเท่านี้จึงไม่ยอมละและตั้งความไม่พอใจในเราและในภิกษุผู้ใคร่การศึกษาข้อห้ามนั้นก็จะเป็นเครื่องผูกอันมีกําลังมั่นคงสำหรับเธอเหมือนนางนกไส้ ซึ่งผูกด้วยเถาไมา้ก็ผูกไว้อยู่หรือถึงแก่ความตายเพราะเครื่องผูกนั้นมีกำลังมั่นคงหมายเหตุ head, อธิบายตรงนี้ว่านกตัวเล็กผูกด้วยเถาไมา้ก็รู้สึกว่าเป็นเครื่องผูกใหญ่คนที่ไม่ดีก็เห็นข้อห้ามเล็กๆว่าเป็นของใหญ่โตซึ่งยากจะปฏิบัติตามหรือละเว้นตามที่ห้ามได้เพราะมีศรัทธาน้อยมีปัญญาน้อย ส่วนบุคคลบางคนเมื่อเรากล่าวว่าจะละสิ่งนี้ก็กล่าวว่าระผู้มีพระภาคตรัสสั่งให้ละเรื่องเล็กน้อยก็ยอมละและไม่ตั้งความไม่พอใจในเราและในภิกษุผู้ใกล้การศึกษาข้อห้ามนั้นก็จะเป็นเหมือนเครื่องผูกอันไม่มีกำลังไม่มั่นคงสำหรับเธอเหมือนช้างสงครามของพระราชาสลัดเครื่องผูก ที่ทำด้วยหนังอย่างมั่นคงให้ขาดได้หมายเหตุ head, อธิบายตรงนี้ว่าสำหรับภิกษุผู้มีศรัทธาและปัญญามากแม้ข้อห้ามใหญ่ๆก็ละตามได้ยิ่งข้อห้ามเล็กๆน้อยๆ ย, ยิ่งปฏิบัติตามได้ไม่ยากเหมือนช้างสงครามที่ทำลายเชือกหนังได้สบายและพระพุทธองค์ยังได้ตรัสเปรียบเรื่องทำนองเดียวกันด้วยคนจน ที่จะสละเรือนจวนจะพังได้โดยยากส่วนคนมั่งมีสละทรัพย์ได้ง่ายกว่าตรัสถึงบุคคลสี่ประเภทที่ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสละอุปธิมีสี่อย่างคือขันธ์กิเลสเจตนากรรมคุณแต่หนึ่งบางพวกถูกกิเลสครอบงำและไม่ละไม่บรรเทาสอง บางพวกถูกกิเลสครอบงำก็ละก็บันเทา 3. าบางพวกถูกกิเลสครอบงำเพียงครั้งเดียวเพราะหลงลืมสติสติมาช้าแต่พอได้สติก็รีบละและบันเทา 4. บางพวกรู้ว่าอุปธิเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์จึงทำตนให้ไม่มีอุปธิ รั้นแล้วตรัสแสดงความสุขที่เกิดแต่กรรมมคุณซึ่งส่งสอนให้ละขึ้นไปเป็นชั้นๆจนถึงความสุขในรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่แล้วตรัสถามว่าเห็นว่ามีสังโยชน์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดอะไรบ้างไหมไม่ว่าน้อยหรือมากที่ไม่ส่งสอนให้ละเสียโดยใจความว่าแม้จะมีความสุขเป็นชั้นๆ แต่ถ้ายังมีอะไรแม้แต่น้อยที่ยังไม่บริสุทธิ์แท้ก็ยังตรัสสอนให้ละไปโดยลำดับจนบริสุทธิ์สมบูรณ์ในที่สุด